ตอนผมเรียนอยู่ปีสมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันสอบเสร็จพอดีหลายาคณะก็สอบเสร็จพร้อมกันในคืนนั้นจึงมีงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตที่ผับแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยทุกคนต่างสนุกกันมากทั้งดื่มเหล้าเต้นจีบสาว ปลดปล่อยอารมณ์กันเต็มที่หลังจากที่เครียดกันมานานจนถึงเวลาพับใกล้ปิดผลก็เริ่มทยอยกลับกันไปส่วนตัวผมเองที่กำลังจะกลับจูจูก็ได้ยินเสียงแก้วแตกเลยหันไปมองเห็นผู้ชายกำลังทะเลาะ ก, กับผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งเมื่อผมพยายามมองดีๆจึงรู้ว่าเธอคือน้องในคณะหนึ่งที่หน้าตาดี และเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยนั่นเองจากนั้นน้องเขาก็ออกจากร้านไปสตาร์ทรถออกตัวไปอย่างรวดเร็วผมกับเพื่อนๆที่เดินตามออกไปก็เห็นแค่เพียงไฟท้ายรถแล่นผ่านความมืดหายไป หลังจากออกจากผับพกผมรู้สึกหิวเลยแวะตลาดกินโจ๊กกันให้อิ่มท้องกลับไปจะได้นอนหลับสบายพอกินอะไรเสร็จก็ขับรถกลับหอในมหาวิทยาลายัยแต่พอพ้นประตูรั้วเข้ามาได้ไม่นานก็เห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยเปิดไซเรนวูบวาบเต็มไปหมดพอขับพ้นโค้งมาเพื่อนก็สกิทบอกเฮ้ยเฮ้ย <He 's S 1> มีรถแหกโค้งวะ่ะจอดลงไปดูหน่อยผมก็ทำตามที่เพื่อนบอกจอดลงข้างทางแล้วลงไปดูกันโค้งนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆถึงแม้จะอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยก็ตามเพราะเป็นโค้งใหญ่ต้นไม้เยอะถ น, นนก็ลื่นไฟข้างทางก็ไม่ค่อยจะมีถ้าใครไม่ชินทาง หรือเมามาก็แหกโค้งกันได้ง่ายๆโค้งนี้เคยมีนักศึกษาตกลงไปเป็นประจำตายมาแล้วหลายศพผมกับเพื่อนก็ลงไปดูเห็นรถคันหนึ่งคว่ำล้อชีฟ้ฟผมจำได้ว่าเป็นรถของน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทะเลาะกับผู้ชายในผับเลยรีบเดินลงไปดูใกล้ๆที่เกิดเหตุตอนนั้น ไทยมุงมากันเพียบเลยทั้งขบวนนักศึกษาที่ขี่รถตามกันมาพยาบาลหน่วยกู้ภัยวุ่นวายกันไปหมดพอกู้ภัยงัดร่างน้องเขาออกมาได้สภาพน้องเขาคือเละตายคาที่ผมขอไม่อธิบายตรงนี้ก็แล้วกันพอทุกอย่างเริ่มสงบคนก็แยกย้ายกันกลับหอกลับไปเมาส์กันเป็นเรื่องราวใหญ่โต วันต่อมาหลังจากสั่งเมากันเรียบร้อยพวกเราก็นั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องของน้องผู้หญิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันต่อจนมีเพื่อนคนหนึ่งอุตริพูดขึ้นมาว่าถ้าพวกมึงอยากรู้นะว่นน้องเขาตายเพราะอะไรเดี๋ยวคืนนี้จะเชิญวิญญาณ น, น้องเข้ามาลงถ้วยแก้วแล้วเดี๋ยวกูจะถามให้แทนที่จะปฏิเสธไอ้เพื่อนอีกสามคน ก็ดันเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าเลยอย่าไปล้อเล่นแบบนี้มันไม่ดีแต่ก็ไม่มีใครฟังผมเลยคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนไอเพื่อนหัวโจกตัวดีมันก็เริ่มปฏิบัติการทันทีโดยพาเพื่อนๆนที่เหลือขับรถไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับทูบเทียน และถ้วยแก้วที่มันเตรียมไว้ส่วนตัวผมเนอะไม่ไปขอรออยู่ที่ห้องดีกว่าพอไม่อยากล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบนี้หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพวกมันก็กลับมาโดยไอ้หัวโจเป็นคนถือทูปดอกหนึ่งที่มีถ้วยแก้วครอบทูปไปไม่ให้ควันทูปรอยหายไปราวกับว่า ได้เชิญดวงวิญญาณมาอยู่ในถ้วยแก้วนี้แล้วเพื่อนที่เหลือก็ปูเสือกลางกระดานที่เล่นผีถ้วยแก้วและเอาถ้วยแก้ววางลงบนกระดานจากนั้นก็นั่งล้อมวงกันส่วนตัวผมก็ดูอยู่ห่างๆไม่อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อ<ค>นหัวโจกก็เริ่มถามคำถามไปเรื่อยๆค <น S 3> ุณชื่ออะไร ช่น้องที่ตายเมื่อวานหรือเปล่าตายเพราะอะไรสรพัดคำถามที่จะถามผมก็แอบนั่งฟังอยู่บนเตียงเงียบๆเวลาผ่านไปพักใหญ่แก้วก็เริ่มขยับแล้วค่อยๆเคลื่อนไปยังตัวหนังสือเพื่อตอบคำถามที่เพื่อนๆถามทีละข้อจนมาถึงเพื่อนคนหนึ่งมันดันถามว่าอยากหาตัวตายตัวแทนไหม เพื่อนที่ร่วมเล่นด้วยต่างร้องเฮยพร้อมกันด้วยความตกใจแล้วแก้วก็ค่อยๆขยับไปที่คำว่าใช่ทั้งวงผีถ้วยแก้วนั่งนิ่งเงียบสนิทไอ้เพื่อนคนเดิมถามไปอีกว่าแล้วจะเอาไปเมื่อไหร่แก้วก็เลื่อนไปที่เลขสามเพื่อนอีกคนก็ทำหน้าที่แปลบอกภายในสามเดือนงั้นเหรอ ตอนนั้นผมเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนคนเดิมถามต่ออีกว่าจเจ้าผู้ชายหรือผู้หญิงไปละ่ะแก้วก็ขยับไปที่ตัวชอช้างทั้งวงเริ่มเคร่งเครียดกันอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนคนเดิมพูดต่อว่าจะให้ไปพักแล้วขอถามมีข้อเดียวที่ตายเพราะทะเลาะ ก, กับแฟนในผับใช่หรือเปล่าคราวนี้ แก้วไม่ขยับเลยนานหลายนาทีจนเพื่อนหัวโจกบอกว่าน้องเขาคงไปแล้วมั้งพอคนในวงทาท่าจะเลิกเล่นปรากฏว่าแก้วเริ่มขยับไปที่เลขสามอีกครั้งแล้วก็ไม่ขยับไปไหนอีกเลยจนเพื่อนๆ เ, เลิกเล่นกันไปคืนนั้นผมก็คุยกันว่ารอดูซิในสามเดือนต่อจากนี้อ่ะ จะมีใครตายที่โค้งนั้นอีกไหมแต่ก็น่าแปลกใจพอไม่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลยที่โค้งนั้นจนพวกผมสงสัยว่าคืนนั้นที่เล่นกันมันคงไม่จริงหรอกคงต้องมีใครแกล้งดันแก้วแน่ๆจนได้เวลาเปิดเทอมสองพวกผมก็วุ่นวายกับการเรียนจนลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทจนมีอยู่คืนหนึ่ง ผมกำลังนอนหลับอยู่บนหอกับเพื่อนๆก็มีเพื่อนมาตะโกนเรียกให้ไปดูเพื่อนของผมหน่อยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลผมกับเพื่อนในห้องก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีปรากฏว่าเพื่อนผมหนึ่งในสมาชิกแก๊งผีถ้วยแก้วถูกยิงอาการสาหัสเพราะไปกินเหล้าแล้วมีเรื่องกับเจ้าถิ่นต้องส่งตัวเข้ากรุงเทพด่วน เพื่อไปรักษาต่อหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลพวกผมที่เหลือก็มานั่งคุยกันด้วยความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงปกติเพื่อนคนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครออกจากที่กลัวซะด้วยซ้ำแล้วต่อมาเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแก้งทีถ้วยแก้วทีละคนหนึ่งในนั้นคือ เพื่อนคนที่เป็นหัวโจกที่กำลังทำงานในเวิร์คช็อปเกิดมีประแจที่ใช้ขันตัวจับเครื่องกลึงไม่รู้ใครลืมถอดออกพอเปิดเครื่องเท่านั้นล่ละประแจมันก็กระเด็นเข้าหน้าเพื่อนผมเต็มๆเย็บไปหลายเข็มเกือบตาบอดอีกคนในกลุ่มก็เจอขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยอยู่ดีๆมันบอกว่ามีหมาตัวใหญ่วิ่งตัดหน้า มันเบรกจนรถเสียหลักลม้มลงโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากมันบอกว่าหลังจากที่มันลม้มลงแล้วมันก็หันไปมองหมาแต่พอมองหากลับไม่เห็นวิแววของหมาตัวนั้นเลยเหตุการณ์ชักเริ่มไม่ดีแล้วตัวผมเองก็หวาดหวัน่นถึงแม้จะไม่ได้ร่วมเล่นผีถ้วยแก้วด้วยก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนๆช่วงนั้นผมพยายามระมัดระวังตัวตลอดเวลาหากจะทำอะไรจนมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ร้า ย, รายเริ่มสงบลงผมก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมนี้แหละคืนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันสองคันพอผับเลิกเพื่อนก็เดินมาคร่อมมอเตอร์ไซค์จะกลับหอ คันหนึ่งซ้อนสาอีกคันซ้อนสองตอนแรกผมนั่งคันที่ซ้อนสามนั่งอยู่ตรงกลางระวังรอเพื่อนอีกคนมาตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้ผมก้มมองลงไปที่พื้นแสงจากเสาไฟหน้าร้านทรองให้เห็นเงาทอดยาวไม่รู้ผมตาฝาดไปหรือเปล่าผมไม่เห็นเงาหัวตัวเอง ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วเอามือกำเหรียญรอห้าที่แม่ให้คล้องคอไว้แล้วบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวกูไปนั่งอีกคันดีกว่าวาเพื่อนคนที่ขี่ก็บอกว่ า, วาไปทำไมกูไม่เมาไอคันหลังนันเมาปิ้นเลยอะไปกับกูดีกว่าปลอดภัยจงังหวะนั้ น, น, นเหมือนมีคนอุ้มผมลงจากรถมายืน แล้วผมก็เดินไปซ้อนรถคันหลังส่วนเพื่อนอีกคนที่มาทีหลังก็เลยไปซ้อนสามคันหน้าแทนผมแล้วออกรถไปคันที่ผมซ้อนก็ออกรถตามไปผมบอกเพื่อนคันของผมมึงค่อยๆขี่นะไม่ต้องรีบ ส่วนไอ้คันหน้าบิดหายไปกับความมืดแล้วทางที่ออกจากผับมันเป็นซอยก่อนจะเข้าถนนใหญ่มันจะมีโค้งโค้งหนึ่งพอรถคันที่ผมนั่งมากําลังจะเลี้ยวโค้งเพื่อเข้าถนนหูผมก็ได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อแววผมเลยบอกให้เพื่อนจอดรถแล้วมองฝาความมืดเข้าไปก็เห็นเพื่อนผม กำลังคานขึ้นมาจากข้างทางเลือดนองท่วมเต็มตัวผมรู้ทันทีว่ามันแหกโค้งมาแน่ๆผมกับเพื่อนอีกคนรีบวิ่งลงไปดูเห็นรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกลงไปข้างทางเห็นเพื่อนอีกคนนอนฟุบหน้ากับพงยาส่วนอีกคนหาไม่เจอไม่รู้กระเด็นไปไหนต้องขี่รถไปแจ้งตำรวจให้มาช่วย กว่าจะเจอก็เกือบเช้าเพื่อนคนนั้นกระเด็นตกลงไปในคลองจมน้ำตายคนที่น่าพบกับพงยาคอหักกระดูกหักหลายจุดตายเหมือนกันส่วนคนที่ครานขึ้นมาเรียกผมแขนขาหักโหนกแก้มร้าวสมองบวมสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีกสามวันต่อมา ผมต้องเสียเพื่อนในห้องไปถึงสมคนในคืนเดียวเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องผีถ้วยแก้วที่วิญญาน้องคนนั้นบอกจะมาเอาตัวตายตัวแทนจากวันนั้นเมื่อลองนับวันดูนี่ก็เกือบจะครบสามเดือนแล้วแล้วแก้วที่วิ่งไปที่เลขสามในตอนนั้นมันอาจจะหมายถึงสามชีวิตของเพื่อนผมก็ได้ ผมต้องย้ายออกจากหอเพอทุทนรับสภาพไม่ได้ในเทอมนั้นผมต้องไปอาศัยนอนกับเพื่อนห้องอื่นไปเรื่อยๆความรู้สึกนั้นมันหลอนไปหมดไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวขนาดเข้าห้องน้ำยังต้องให้เพื่อนมานั่งเฝ้าคอยคุยเป็นเพื่อนเรียกว่าแทบเสียสติไปเลยทีเดียว จากนั้นผมก็มันทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณของน้องคนนั้นและเพื่อนเพื่อนตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สัมผัสสิ่ง